10 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์ราชาญหมอกสลายที่ ด้วยมีชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งมีชีวิต ต่อไปนี้ขอ <ม. S 1> ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้ ดร. เจรวยพรทรณินอาชีพครูเป็นผู้ให้ค่ะอย่าปิดกั้นโอกาสของเด็ก บอกสลายความเดิมตอนที่แล้วปลายฟ้าตอนที่ 6 ความเดิม และมาขอความร่วมมือจากแทนคุณมาขอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปร่วมมือจาก ตกลงเลยนะครับครูดวงใจครูใหญ่ล่ะคะ จะได้นะคะครูใหญ่ถึงมานั่งจะ หมอก็มีความคิดที่น่าสนใจแล้วๆโดย จัดบอร์ด อยู่ไหมคะมั้ยคะอยู่ในห้องตรวจนะคะน้องมีเอ๊ะทําไมวันนี้มาที่อนามัยได้ ประชุมครูก็สั่งงานเป็นการใหญ่ให้ครูอืม เธอใช้คำว่าร่วมใจตามอิตาครูค่ะ ที่จะเข้ากรุงเทพฯพรุ่งนี้ มีแขกมาหาแน่ยายหวังใครคะแม่เอ๊ะครูใหญ่ผมได้ยินว่าหมอจะไปกรุงเทพฯวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับข่าวของครูใหญ่นี่ไวดีจริงๆนะคะเค้าถึงว่าปากคนยาวกว่าปากกาอย่าไปหาที่มาของข่าวเลยนะฮะที่ผมแวะมาที่นี่ก็เพราะว่าผมมีราชการจะต้องเข้าไปรายงานที่กรมวันพรุ่งนี้เหมือนกันเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและค่าเดินทางก็เลยจะมาชวนคุณหมอไปด้วยกันน่ะ อ๋อแต่ฉันก็ดีเหมือนกันนะหิวัลมีเพื่อนเดินคะ จะลองร่วมๆอย่างที่คุณมีจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนบ้านอืมถ้าทาง ที่สําคัญน่ะขอให้เค้าๆ ให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ผู้เสพ ไม่พอใจหรือไงยายปุ๋ยๆแหมอย่าจินตนาฉันไม่ใช่หมา พอใจเธอๆพอ กว่าแต่เธอจะหอบหิ้วไปยังไงเท่านั้น ทำไมรู้อย่างนี้มาคนเดียวดีกว่า หรือยังคะพี่แขคุณหมอแน่ปรัตัญญะมาเออได้ข่าวว่าคุณหมอ แค่ไม่รู้ว่าคุณหมอคิดวางแผนไปถึงไหนแล้วมาถามคราวครับในแทนคุณของคุณนีนั่นแหละรู้ว่าคุณหมอเอผม พี่หมอนะคะพอเค้าหน้าสงสารจังด้วยอกตึงหน้าตั้งนี่คะหืออย่างนั้นเหรอเอ่อ คุณปลัดเค้าไม่ค่ะน้องมีอึมีเสียงไปดูกันดีกว่าค่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ มันอะไรน่าดูหลุดไปได้แล้วจะทําไม ผมเป็นนักวิ่งเก่าครับคุณปรากฏตัวตรงประวัติเลยค่ะแก่อ้อยไปเป็น ช่วยเป็นพยานให้หน่อยก็แล้วกันไป ทำไมสั่งกับข้าวน้อยนั่นล่ะครับเดี๋ยวก็เสียเจตนาครับคุณปุ๋ยคุณๆยายปุ๋ย แหมเราเห็นครูใหญ่เป็นข้าราชการก็เลยสงสารรมทัพไม่ ลื่นไหลแล้วครูใหญ่คิดว่าพอจะมีทางแก้ไขได้บ้างไหมคะได้ทุกทีอุ้ยเธอก็ไปเย็นๆสิยาย แท้เราต้องทำให้เกิดผลเดียวไม่ได้ครับคุณจินเราต้อง hey, เบื้องต้นเราคนคน 2 คนๆ ก่อนก็แล้วกันค่ะครูใหญ่เจ้าอุปกรณ์ที่เพื่อนๆ มาหาน้องดีค่ะป้าทุมแล้วมากับหนุ่มทินไลอ่ะอ้าวนึกว่าใคร ครูใหญ่พบเองก็หามาให้เหมือนกันนะดีจังค่ะพี่หวั่นหรือคะพี่หวั่นของครูเอา แล้วนี่ก็คือ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 นามผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิภัตนะทินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกาสถีณ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนัฐฐานอาสาควบขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังหมอกสลายที่ปลายฟ้าได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ภาธิพัฒนะดินดา